นอนลับกันดีไหมขึ้นนะลับดีขึ้นเรื่อยๆ เ, เนาะทดสอบลมปราณเป็นยังไงคล่องโล่งไหมทั้งสองข้างทดสอบทุกครั้งเวลาตื่นขึ้นมาทดสอบลมปราณ <c oughs> การปฏิบัติธรรมคือการสนใจชีวิต ให้มากขึ้นสนใจชีวิตของตัวเองในแง่ของการดูแลรักษาเอาใจใส่ไม่ได้สนใจในแง่ว่ามันเป็นการบำารุงบํบำเรอการตกแต่งการประดิษฐ์ประดอยการเป็นเจ้าของไม่ได้สนใจในแง่นั้ น, น, นสนใจว่าร่างกายและชีวิตนี้เป็นสมบัติที่ล้ำค่า จะทำยังไงให้เขาอยู่รอดปลอดภัยทำยังไงให้เขาอยู่ไม่ทุกข์ไม่สนใจในแง่นั้นไม่ได้สนใจว่าเขาจะดีะอย่างงามยังไงจะสุขอย่างไจางไจะได้ตามต้องการอย่างไรไม่ได้สนใจในแง่นั้นสนใจในแง่ของความเป็นตัญหาพราฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือมาศึกษา รูปธรรมกับนามธรรมเอปฏิบัติธรรมปฏิบัติในรูปธรรมและปฏิบัติในนามธรรมปฏิบัติกับกายกับใจนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะไม่ไม่ใช่เป็นการทําพิธีอะไรที่มันทําให้เกิดความสลับซับซ้อนทางด้านาทฤษฎีตำราหรือ ของวิเศษะอะไรต่างไม่ใช่การสื่สายาชีวิตคือปฏิบัติต่อรูปธรรมให้ดีปฏิบัติต่อนามมารมให้ดนะีให้คิดว่าในตัวรูปธรรมที่เราได้มานี่เป็นสิ่งวิเศษสิ่งวหะเจตจำนทนที้เราจะดูแลรักษาของเขาได้อย่างไรเพราะมันเป็นสมบัติ บ, บรรพบุตรสืบทอดกันมาเป็นความหวังของบรรพบรุตรของเราว่าเราจะใช้ ร่างกายลูกธรรมนี้นำธรรมนี้เป็นเป็นที่ดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัย <c oughs> และนำไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดตามที่บรรพุทธเราปรารถนาไว้ว่าเรามีการทําคุณงามความดีทําบุญกุศลทุกครั้งนี้เรามีความปรารถนาตั้งปรารถนาว่าขอให้บุญกุศลนี้จงเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งมรรคุณนิพานนพานนิพพานปับปจโยโหติ คือฝากฝากต่อกันมาทุกๆรุ่นจนมาถึงเรานะเราก็ทําความหวังความปรารถนาของท่านให้บรรลุผลสําเร็จคือทําให้จิตเนี้ยจิตนี้เป็นที่รวมของวิญญาณบันพุรุษของเราทุกดวงอยู่ในจิตของเราถ้าเราจิตของเราบรรลุถึงสุขบันพุรุษของเราก็บรรลุ ถ, ถึงสุขด้วย ถ้าจิตของเรานี่เป็นทุกบรรพุทุษทุกดวงก็เป็นทุกด้วยนะพราะฉะ น, นการทําจิตให้ไม่ทุกเนี่ยถือว่าเป็นการทําบุญให้แก่บรรพุทธหลุษอันสูงสุดและบันพุทุษทุกดวงนั่นนึงจึงเป็นกิจกรรมที่สําคัญมากที่เราจะทําแบบไม่เอาใจใส่ไม่ได้เพราะเราเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อจิตวิญญาณบรนพุทุษทุกดวงอยู่ในใจของเรานะเราจะทําทุกอย่าง ดังนั้นผู้ใดที่ตั้งใจทําตรงนี้ให้ได้ตามที่บําุรุญของเราปรารถนาก็ถือว่าเราได้บุญสูงสุดคือไ ม, ไม่ไม่ทุกต่อไปแล้วไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายต่อไปไม่ต้องเวียนว่ายใจเกิดอีกต่อไปไม่ต้องตกนรกไม่ต้องขึ้นสวรรค์อีกต่อไปนะมีแต่จะไปสู่สภาวะดับเย็นสนิทอย่างเดียวไปนิพพาน ดังนั้นเมื่อรู้เป้าหมายอย่างนี้เราก็ต้องมาศึกษาตามลาดับว่าศึกษาในศีลศึกษาในจิตศึกษาในปัญญาหรือว่าอาธิจิตอติอธิศีลและศีขาอาธิจิตแต่ศีขาอาธิปัญญาศีขาศึกษาในสามอย่างนี้ส่วนอธิศีลและศีขาคือการศึกษาในศีล น, นั้นคือศึกษาในแง่ของ การจัดระเบียบชีวิตในฝ่ายรูปนะเน้นในฝ่ายรูปอาทิสีและสิขาซึ่งได้กล่าวแล้วว่าการจัดระเบียบในฝ่ายรูปนี่จัดระเบียบในแง่สังคมก็ <c oughs> เ, เรียกว่าศีลสังคมจัดระเบียบในแง่ของอปรมัตา์หรือส่วนตัวเราก็เรียกว่า อ, อริยกันตศีล คืออาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลดันั้นการเจริญสติจึงเป็นตัวสำคัญในการจัดระเบียบชีวิตนะเพราะชีวิตของเราไม่ค่อยไม่ค่อยคานึงถึงระเบียบเพราะในในตัวชีวิตเองมันมีระเบียบของมันอยู่นะมีระเบียบของมันถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติทำหรือไม่จัดการชีวิตให้สอดคล้องกับระเบียบของธรรมชาติทุกมันก็เกิดขึ้น ทุกเกิดขึ้นเช่น ว, ว่าระเบียบเวลาเราจะลุกจะนั่งจะลุกจะนั่งจะเดินถ้าเราทําตามระเบียบมันก็จะไม่ไม่ทุกข์แต่ถ้าหากเราผิดระเบียบของมันเราก็จะทุกข์ดังนั้นตัวสติจึงเป็นหัวใจเป็นหัวใจของศีลในความระลึกได้คําว่าสติแปลว่า ผู้แล่นไปให้ทันแล่นไปให้ถึงแล่นไปให้ถูกคําคว่าสตินี่มาจากคาว่าสระสระธาตุที่เราเอาไปใช้คําว่าลูกศอนธาตุเดียวกันนะคําว่าสติกับสอนเนีธาตุเดียวกันธาตุดิมคําว่าสระพอไปบวกติปัจจัยในภาษาบาลีก็ละตัวนั้นหายไปมารวมกับติก็กลายเป็นสติ แต่พอไปลงหน้าปัจจัย <c oughs> มันคงธาตุเดิมอย่างคำว่าสารณะเนี่คำว่าสารณะกับสติเนี่ยคือรากเดียวกันแต่ว่าสารณะแปลว่าที่พึ่งสติแปลว่าที่ระลึกธาตุเดียวกันเรามาแปลในภาษาไทยว่าลูกศรสระเหมือนกันสอนตรงนั้นแปลว่า <c oughs> แล่นเร็วแปลว่าคมแปลว่าตรงอะ แต่ ว, ว่าเจาะแทงอืนั่นหนึ่งที่มาของคาว่าสตินั่นที่แปลว่าแล่นก็หมายของว่าจิตของเราเนี่ยมันไวเมื่อจิตมันไวผู้ที่จะตามจิตทันก็คือตัวตั ว, ต, วตัวนี้แหละตัวลูกศรคือสตินี่แหละสติจิตของเราเหมือนนกหรือเหมือนสัตว์นะสตินั่นเหมือนลูกศรของนายพล ถ้าลูกศรของในพานช้ากว่าสัตว์เนี่ยก็จะจับสัตว์ไม่ได้แต่ลูกศรของในพานที่ยิงออกไปไม่แม่นยำก็จับสัตว์ไม่ได้เพราะจิตของเราเนี่ยมันมันแล่นมันวิ่งเหมือนสัตว์ป่าไปตลอดทั้งเร็วแล้วก็รุนแรงด้วยเพราะนั้นเราจะต้องฝึกสติคือลูกศรตัวเนี้ให้แม่นยำและให้เร็วพอที่จะจับจิตได้ พอที่จะทันจิตได้แต่เราใช้ในนามว่าสติแต่ควาจริงในสติตัวนี้ที่มันจะทําหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นมันจะต้องบวกคุณธรรมอีกสามตัวคือสัมมาชัญญะสมาธิและปัญญาคําว่าสติตัวนั้นถึงจะทําหน้าที่ได้สมบูรณ์นะไม่ใช่สติอย่างเดียวดัง น, นั้นเองเรามาฝึกตัวรู้สึกตัวนี้ก็ฝึกให้จิต ฝึกให้สติของเราเนี่ยมันมันไวขึ้นพอจิตลรไปถึงไหนสติต้องตามไปถึงนั่นจิตไปออกไปไวขนาดไหนสติก็ต้องไวขนาดนั้นมันถึงแปลว่าแล่นนะแปลว่าแล่นสระด้วยนแะปลว่าแล่นแล่นไปสู่อะไรแล่นไปให้ทันจิตพอแล่นทันแล้วมันก็พึ่งได้เหมือนแม่กับลูกถ้าลูกสัก ห้าเดือนหกเดือนหรือขวบหนึ่งแม่เลี้ยงลูกถ้าลูกวิ่งไปที่ไหนจะไปตกไปตายที่ไหนนี่ถ้าแม่แล่นไปไม่ทันเนี่ยลูกก็เป็นอันตรายถ้าแม่แล่นไปทันวิ่งไปทันลูกก็ไม่ตกไม่ตายฉันใดก็ดีจิตของเราเหมือนเด็กอ่อนแต่สติเนี่เหมือนแม่ถ้าแม่คือสติแล่นไปไม่ทันไปจับลูกว่าไม่ทันลูกก็ต้องไปตกไปตายจิตของเราเหมือนกันเหมือนกับไปตามวิธีอารมณ์ ส่วนใหญ่มันก็ละกา마นี่ปาติโนคือมกักจะตกไปในที่ต่ำตกไปในอารมณ์ไปที่ใคร่เสมอในจิตของเราเพราะนั้นสติจะต้องไปตามกลับออกมาสู่ที่ปลอดภัยเหมือนแม่ตามเอาลูกมาไว้ที่ปลอดภัยแต่สติที่จะรู้จักทําหน้าที่ในการรักษาจิตให้ปลอดภัยนั้นสตินั่นจำเริ่มการฝึกฝนด้วย ด้วยอริยธรรมนะไม่ใช่เป็นสติเพราะสติมันมีสอ ง, สองระดับคือสติที่เป็นสัญชาตญาณกับสติที่เป็นปัญป ญ, ญายาณที่ได้้กล่าวมาวันก่อนอตรงนี้ตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะเพราะเวลาเราไปปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องลําดับเพราะสติที่เป็นสัญชาตญาณ น, นี่ทำหน้าที่รับใช้กิเลสรับใช้อวิชชาดันหาอุปาทาน เพราะจิตของเราถ้าหากว่าไม่คอยเลื่ลึกรู้เนี่ยตัวอวิชามันก็เข้ามันเป็นธรรมชาติของมันพอพอคอยแล้วลึกรู้ตัววิชาก็เกิดแต่เมื่อใดถ้าเราไม่คอยเฝ้าดูแล้วรู้สึกตัวตัวตัวไม่รู้สึกก็เข้ามาแทนเมื่อตัวไม่รู้สึกเข้ามาแทนสติตัวนั้นก็จะไปรับใช้อวิชาตันหาวทานเราเรียกว่าความ พเพลอือความหลงลืมนะความเคยชินแเราได้จ ะ, ะจะเรียกนะความพเพลอือความหลงลืมความประมาทพวกนี้เป็นชื่อของควมว่าอาวิชชานี่ถ้าหากว่าเรามีการฝึกฝนสติให้ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสติเราก็คอยระลึกอยู่เสมอคอยระลึกในกายที่เราสวดเมื่อกี้ ระลึกในเวทนา ล, ลึกในจิตร ล, ลึกในธรรมว่าขณะนีะ้กายเราเป็นอย่างไรคอยระลึกอยู่เสมอตัวที่คอยระลึกอยู่ในในกายนี้เองแต่ในกายนี้ท่านให้ระลึกถึงให้แยบคายถึงหกระดับด้วยกันเช่นระลึกถึงลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอรนะะลึกถึงอิยาบทที่เรากำลังเป็นอยู่ขณะนี้เราอยู่ในอิยบทไหน อยู่รีบทนั่งนั่งในท่าใดนะแลลึกอยู่เสมอแล้วลึกอยู่ว่าในขณะที่เรานั่งเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแบบใดมั่งการเคลื่อนไหวในส่วนไหนบ้างของร่างกายคอยลึลึกอยู่เสมอและในการเคลื่อนไหวนี้ด้วยอำนาจของอะไรด้วยอำนาจของท่าสี่ดินน้ำดวงไฟคอยลึลึกอยู่ถึงท่าสีและในตัวลึกรู้นี้ มันส่วนไหนบ้างที่มีอาการตั้งแต่ผมคนเล็บฟันหนังไปถึงสามสิบสองส่วนส่วนไหนมีอาการเรียกอาการสามสิบสองให้ระลึกรู้ว่าอาการปวดเกิดขึ้นในส่วนไหนเกิดขึ้นในส่วนแข้งส่วนขาส่วนหนังส่วนเอ็นส่วนดุกส่วนเลือดส่วนลมแล้วก็ระลึกรู้ถึงอาการทั้งหมดเรีอาการสามสสองและในส่วน ของร่างกายนี้มันตั้งอยู่ได้อย่างไรตั้งอยู่ได้โครงกระดูกเป็นตัวโครงสร้างของมันแล้วฉาบด้วยเนื้อและเลือดเหมือนกับเราสร้างโครงสร้างหุ่นขึ้นมาแล้วก็เอาดินเหนียวว้างกระดาษบ้างเชือกบ้างลวดบ้างปอบ้างไปพันให้มันเข้าด้วยกันตัวซิเมนเอ็นแล้วเอา ดินเหนียวฉาบดินเหนียวนี้เหมือนเนื้เอเลือดฉาบเข้าไปในโครงสร้างอันนั้นถ้าเขาเลือดอยู่เป็นเป็นลักษณะอย่างนั้นเสมอก็ <c oughs> จะทำให้จิตของเราเนี่ยมาคุ้มขีมาอยู่กับกายได้มากขึ้นมีส่วนที่จะต้องชักจูงให้จิตมาอยู่กายถึงหกระดับแต่ส่วนใหญ่ในชีวิตประจวั น, นเราไม่ค่อยนึกถึงทั้งๆ ท, ท, ที่มันมีรายละเอียดที่จะให้ดึงกลับมาได้หลายๆอย่างลมหายใจเข้าออกหนักเบา ก็ชวนให้ระลึกเียียบบทยืนเดินนั่งนอนก็ชวนให้ระลึกเยียบบทย่อยพบภาพตาาปากหายใจเคลื่อนไหวเหลือสายไหลหัวก็ชวนให้ระลึกธ <c oughs> าตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ชวนให้ระลึกอาการสามสิบสองส่วนประกอบของกายนี้ก็ชวนให้ระลึกอาการของโครงสร้างของร่างกายโดยหยาบหยาบเป็นของดีของเสียเกิดขึ้นก็ชวนให้ระลึกในเรื่องของกาย แต่เราก็มักจะละเลยอยู่เสมอที่เราเรียกว่าประมาทนะละเลยหลงลืมกับข้อมูลอันนี้แต่ภาษาสระสสของเราท่านตรัสรู้แล้วว่าตรงนี้ต้องระลึกแบบนี้จิตของเราสติของเรามันถึงจะเข้มแข็งมันถึงจะแหลมคมมันถึงจะว่องไวนะในในห้องในห้องสติห้องที่หนึ่งเนี่ยคือห้องกายสมมุติว่าเป็นห้องห้องหนึ่งนะ ในห้องกายห้องสติห้องกายนี่มีมีเรื่องที่เรา <c oughs> มีอุปกรณ์ถึงหกชิ้น <c oughs> ที่เราจะต้องเข้าไปฝึกฝนนะ <c oughs> ในห้องนี้มีอุปกรณ์ฝึกฝนสติให้แหลมคมถึงหกชิ้นผ่านห้องนี้ไปได้ถ้าสมมติว่าเราชำนิชำนานในลึกในหกเรื่องเนี่ยเรื่องลมหายใจเรื่องอริบทตสีเรื่องบทย่อยเรื่องทาตสีเรื่องการสาธิสองเรื่องของ โครงสร้างของร่างกายเรื่องของเสียร่างกายให้ลึกพิจารณาอยู่เสมอจนชำนิชนานาญเพราะจิตของเราไม่หลงลืมในเรื่องทั้งหกนี้ก็ก็ถือว่าจบชั้นที่หนึ่งจบห้องหนึ่งห้องเรียนห้องที่หนึ่งแล้วจบเรียกกายานุ ป, ปัสนาสติปัฏฐาน <c oughs> นะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการฝึกฝนไม่มีการอบรมไม่มีการปฏิบัติมันจะนึกไม่ได้เลย พอไม่ได้รับการตรอกย้ำไม่ได้รับการเรียนรู้ไม่ได้การชี้แนะจิตของเราก็จะหลงเพลินไปตามอารมณ์ตามเรื่องของมันที่มันเคยไปถึงลูกบางเสียงบางกลิ่นบางรสบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นตกไปอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจโดยเฉพาะความรักความใคร่ราคะตัณหาในที่มันเป็นข้อผูกมัดลัดดึงของเรามาชั่ว ก, กับชั่ว ก, กันที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็เพราะ อ, อํานาจของมัน บีบคั้นรัดลึงให้เราต้องจิตของเราต้องตกไปหมกมุ่นคุ้มคิดอยู่ในเรื่องราคาตัหาอยู่ก็ทำให้เราหลงลืมต่อข้อมูลที่จะฝึกฝนจิตของเราให้สูงขึ้นก็คือนำห้องสติห้องที่หนึ่งมาคอยระลึกอยู่เสมอนะทีนี้มาดูห้องที่สองของสติบ้างห้องที่หนึ่งเรามีเครื่องระลึกอยู่ถึงหอย่างนะมีอะไรบ้างคอยทบทวนด้วยตัวเองก็แล้วกัน ห้องที่สองมอีส่วนที่ต้องฝึกสติให้แหละมคมรวดเร็วชัดเจนแม่นยำอยู่ถึง9 อ, อย่างแต่โดยย่อมีสมโดยพิ่สดาเกานะมีะสมก็คือความรู้สึกพอใจเ้าเรียกว่าสุ ข, ขเวทนาความรู้สึกไม่พอใจเขาเรียกว่าทุก ข, ขเวทนา ความรู้สึกยังไม่แน่ว่ามันเป็นอะไรเรียกว่าเฉยๆหรื อ, อยังไม่แน่ใจนั่นเองเขาเรียกว่าทุกข์ขั้มสุขเวทนาในห้องนี้จับหยาบจะมีแค่สามแต่ว่าในสุขเวทนานี้ท่านก็มาแยกออกเป็นว่าเรามีความพอใจเพราะอาศัยเหยื่อไหมหรือไม่มีเหยื่อเนี่ยอาศัยเหยื่อเรียกว่าออามิตรนิลามิตรความทุกข์ที่เกิดขึ้นใน ความไม่สบายเนี่ยที่เกิดขึ้นในกายในใจเนี่ยอาศัยเหยื่อหรือไม่มีเหยื่อถ้าอาศัยเหยื่อก็เรียกว่าอามิสเวทนาถ้าไม่มีเหยื่อก็เรียกนิรามิสเวทนาหรือไม่ได้อาศัยอะไรความไม่ไม่แน่ใจเนี่ยที่ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันอาศัยไถ้าอาศัยเหยื่อหมายความว่าความรู้สึกพอใจเนี่ยมันอาศัย รูปเสียงกิ่รสสัมผัสอารมณ์เกิดหรือว่ามันไม่อาศัยความรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยมันอาศัยอะไรเกิดอาศัยรูปเสียงกิ่รสสัมผัสอารมณ์เกิดหรือว่ามันไม่อาศัยทั้ง6อย่างถ้ามันไม่อาศัยแล้วไม่มีอมิตรอาศัยใจอย่างเดียวเกิดบางครั้งเรานั่งเฉยๆเนี่ยตาก็ไม่เห็นรูปหูไม่ได้ฟังเสียงจมูกไมดมกลิ่นลิ้นก็ไม่ได้ ล, ม ล, ดล้มลดริ้มรดกายก็ไม่ได้สัมผัสแต่ใจมันเศร้าหมองใจมัน เกิดความไม่สบายขึ้นมาลอยๆเข้ามานี่เขาเรียกไม่อาศัยเหยื่อมันเกิดโดยตัวของมันเองอาศัยใจโดยประการเดียวแต่บางครั้งไปเห็นรูปแล้วรู้สึกพอใจไม่พอใ จ, อใจนี่ไห ม, ค ว, มความพอใจไม่พอใจอาศัยเหยื่อเกิดหรือได้ยินเสียงแล้วเกิดความพอใจไม่พอใจอาศัยเหยื่อเป็นที่เกิดดังนั้นความพอใจไม่พอใจนี้เรียกว่าสุขเวทนาทุกเวทนาเรามาเรามาพูดเป็นภาษาเราว่าความ พอใจไม่พอใจความขัดใจความถูกใจความพอใจไม่พอใจความสบายใจไม่สบายใจเราจะพูดกันแค่นั้นแต่ภาษาใจเขาเขาจริงๆเขาจะสุขเวทนาทุกเวทนาหรือทุ ก, กโ ท, โทมนัสสเวทนาอะไรของมีเป็นส่วนที่สองห้องที่สองเรียกว่าเป็นความรู้สึกล้ลวนๆเช่นเวลาเรานั่งไปนานๆรู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดขาเนี่ยอาศัยกายเป็นเหยื่อให้เกิดทุกข์ใช่ไหม หรือนั่งไปนานมันเกิดโล่งโปร่งเบาสบายอาศัยความรู้สึกให้เกิดทุกข์เกิดสุขเนี่ยนี่เป็นของอยู่ใกล้ๆตัวเราแต่เรามองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าจิตของเรามันตกไปตามความคิดปรุงแต่งหนีจิตของเรามันหนีกายจิตของเรามันหนีรูปไปหนีกายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นขณะนี้เดี๋ยวนี้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ ง, จงเนี่ยเรามองไม่เห็นสติของเราก็เลยไม่เข้มแข็ง เพราะนันในห้องที่สองนี้คือห้องแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นเฉยๆแล้มาแยกว่าสุขมีเหยื่อไหมหรือไม่มีเหยือ่อทุกข์มีเหยื่อไหมหรือไม่มีเหยือ่ออทุกขก็มาสุขมีเหยื่อหรือไม่มีเหยือ่อเนี่ยรวมกันเข้าเป็นเก้าอย่างเพระนั้นเวลาเราพิจารณารวบยอดถ้าเราแยกแยะแล้วก็วจะสับสนว่าเราจะอ่อนไหนดี เราจะเอาอันไหนดีถ้าท่านบอกว่าเวลาเราใช้ไฟฉายเนี่ยเราใช้ส่วนไหนของไฟฉายเราใช้ไฟฉายเราใช้ส่วนไหนของไฟฉายใช้แสงสว่างใช่ไหมแต่เราจะต้องไปแยกรายละเอียดนว่าไฟฉายนี่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ประกอบด้วยสวิตช์ประกอบด้วยหลอด ประกอบด้วยหน้าเลนประกอบด้วยกระบอกไฟสายประกอบด้วยท้ายเราต้องไปแยกแยะไหมไม่ต้องไปแยกแยะเพราะผลรวมมันออกมาที่ไหนที่แสงสว่างตาเห็นแค่นั้นไงใช่ไหมแต่ว่าเวลาในรายละเอียดเนี่ยเราต้องแยกแยะเห็นว่าไอ้แสงสว่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยมันมาจากองค์ประกอบนะมันยาวครันผดก็ดีการพิจารณาถึงเวทนาต่างๆเนี่ย เราก็ไม่จำเป็นแยกแยะว่าเออสุขเป็อย่างนี้ทุกเป็นี้สุขมีเหยื่อทุกมีเหยื่อเป็นอทุกข์กสุขมีเหื่อไม่มีไม่ต้องไปแยกแยะแต่ให้ดูผลรวมว่าขณะ น, นี้ความรู้สึกของเราสบายหรือไม่สบายแค่นั้นพิจารณาที่ผลรวมของมันถ้าเราจะไปพิจารณาแยกแยะตามที่ข้อมูลเสนอก็จะทําให้เราสับสนแต่เห็นว่าขณะที่เรานั่งเนี่ยรู้สึกสบายหรือไม่สบายรู้สึกสบายเพราะอะไรไม่สบายเพราะอะไรรู้สึกเฉยเฉยเพราะอะไร ก็าำหนดรู้เข้าไปอีกทีหนึง่งนี่เขาเรียกว่าเรียนรู้ในห้องสติที่เป็นเวทนามีอยู่จริงใช่ไหมของที่พูดมานี่มีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงแต่ว่าเราคอยที่จะคอยระลึกรู้มันเท่านั้นเองอันนี้เรียกห้องที่สองนะที่เราจะเรียนกันวันนี้แล้วก็ไปปฏิบัติในวันนี้ให้ได้ห้องที่สเราเรียกว่ามีสติระลึกรู้อยู่ใน จิต อ, อยู่ในจิตซึ่งมีถึง16หขณะหลายละเอียดของจิตเนี่ยแต่ย่อๆก็มีสามนะแต่ในหลายละเอียดมีถึง16ขณะนะแยกๆไปทีนี้ในการเลืู่ในจิตเนี่ยลื่อนู้อย่างไรพนะันใช้คำว่าสาราขัางว่าจิตตังสาราขัางจิตตันติประชาณาติ วิตาราคังวาจิตตังวิตาราคังจิตตันติปชานะติสะโทสั้งวาสิตาสร้างจิตตันติปชาตะวิตาโทสรางวาจิตตังจิตตันติประช า, า, ะาะนะฮาา ะ, ะ, าาะคือระลึกรู้ว่าในจิตของเราในขณะนี้มี <c oughs> ประกอบด้วยราคะความไข่อยู่ไหมหรือว่าไม่มีขณะนี้จิตของเราประกอบด้วยโทสะคือความขัดข้องขับแค้นอึดอัดขัดเคืองอยู่ไหมหรือว่ามันไม่มี ในพิจารณาอย่างนี้ในพิจารณาว่าขณะนี้จิตใจของเรามีความหลงลืมมีความเลินเล่อประมาทเพ้อเลื่อมีความหรือว่ามีความลึลึกได้ไหมให้ลึลึกอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าเข้าไปในห้องของจิตต่อจากนั้นมาต่อจากสามอย่างนี้ไปก็คล้ายๆว่าเป็นลักษณะเดียวกันแต่แยกย่อเอาใบเช่นว่าจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหู่จิต มีอารมณ์ดีก็ให้รู้ว่าจิตมีอารมณ์ดีจิตมีอารมณ์ไม่ดีก็รู้จิตมีอารมณ์ไม่ดีจิตอหลุดพ้นก็ว่าจิตหลุดพ้นจิตยังไม่หลุดพ้นก็ให้รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นขั้แยกออกไปเลยจิตมีจิตอื่นดีกว่าก็ให้รู้ว่าจิตมีจิตอื่นที่ดีกว่าจิตที่ไม่มีจิตอื่นที่ดีกว่านี้ก็ให้รู้แยกไปถึงสิบหกจิตสิบหกวาระจิตแต่ความจริงมีหลักเลี่ยนอยู่สามวาระคือจิตที่ เป็นราคะโทสะโมหะหรือไม่ในขณะนี้จิตประกอบด้วยอะไรขณะนี้ความรู้สึกขณะนี้มันมีความรักหรือความชังจิตของเราหรือมีความรู้สึกเฉยๆล้วก็ถ้ามันมีความรักก็เป็นราคะจิตถ้ามีความชังก็เป็นโทสะจิตถ้ามันมีความรู้สึกยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรเบรื่อเบื่หลงๆก็เป็นโมหะจิตนี่ให้พิจารณาอย่างนี้เสมอว่าให้แยบคายลงไปอีก นี่ห้องที่สามเรียกว่าจิตต า, านุปัสสนาสติปัฏฐานในชีวิตจริงมีอยู่แต่เราเคยเห็นในรายละเอียดมันไหมยพราเราไม่เห็นแเราแต่เราไปเป็นซะมันก็เลยไม่เห็นอเห ม, มือนกับเราลงไปเล่นน้ําดําน้ําเนี่ยเราก็จะไม่เห็นน้ําแต่เมื่อไรเราขึ้นน้ำมานั่งอยู่บนฝั่งเราถึงจะเห็นแม่น้ําฉันใดก็ดีถ้าหากเรามีความคิดมีอารมณ์เราลงไปเล่นกับอารมณ์เสียก็เหมือนเราไปเล่นน้ํา ไปจมอยู่ในน้ําเราก็ไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นน้ําแต่เมื่อใดเราขึ้นมาดูบนฝั่งเราก็จะเห็นน้ําน้ํำขุ่นน้าเขี้ยวน้ําใสน้ําเชี่ยวน้ําแรงน้ําไหลช้าไหลไวเนี่ยก็จะเห็นอะไรไหลมาตามน้ําก็จะเห็นเพราะฉะนั้นเราจึงมาเป็นผู้ดูนั่งอยู่บนฝั่งทำไมเขามาฝังคืออะไรฟังคือความรู้สึกตัวเป็นฝั่งความคิดอารมณ์ที่มันไหลลื่นไปนี่เรียกว่าอารมณ์คือแม่น้ํา เราถ้าเข้าไปเป็นอารมณ์เราก็าเข้าไปเล่นในน้ำแต่ถ้าเราออกมาจากอารมณ์นั้นเสียเราก็มานั่งบนฝั่งดูแม่น้ำเนี่ยในชีวิตประจำวันของเรามีไหมอารมณ์เหล่านี้มีใช่ไหมความรักความชังความพอใจไม่พอใจมีอยู่แต่ว่าเราเคยพิจารณาเคยเฝ้าดูลบ้างไหมไม่ค่อยได้ทำเพราะอะไรเพราะเราไม่ค่อยได้ฝึกฝนไม่ค่อยได้ปฏิบัติ อ, อันนี้ห้องที่สามของการฝึกฝนสตินะ ใด้ปอดสามแล้วถ้าใครทำได้ใช้นี้ชำนาญก็ไปห้องที่สีออ่ห้องที่สี่คืออะไรห้องที่สี่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาก็คือเราฝึกสติกับการดูอารมณ์นะอารมณ์กับจิตนี่ไม่เหมือนกันเหมือนน้ากับคลื่นเหมือนน้ำกับคลื่นคลื่นอาศัยน้ำเกิด บางครั้งก็ขึ้นเล็กบางครั้งเขาขึ้นใหญ่ถ้าขึ้นใหญ่เราเรียกว่าอะไรเรียกว่าพายุใช่หมเรียกว่าสตอร์มถ้าขึ้นเล็ ก, กเรียกว่าขึ้นสวยใช่ั้ยแล้วแต่ลมที่พัดขึ้นทะเลเวลาเราไปเที่ยวทะเลถ้าหากว่ามีพายุเข้าเนี่ยขึ้นทะเลสูงเป็นเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตรแต่ถ้าหากว่าไม่มีลมไม่มีพายุ ก, ก็ขึ้นธรรมดาเป็นระลอกขึ้นสว ย, สวย อารมณ์ก็เหมือนกันในช่วงไหนจิตของเราถ้ามันมีอารมณ์มาปรุงแต่งแรงเช่นความโกรธแรงมากเข้ามาด่ามาว่ามาดูถูกมาเหยียดหยามมาทำร้ายเราอารมณ์เราจะขึ้นแรงมากนั่นมันขึ้นเรีวยกว่าอารมณ์หรือเขามาชมมายกมายอรเราก็คลื่นดีเข้ามาดีใจมากหัวเราะร่วนดีใจอารมณ์ดีนี่ก็เป็นอารมณ์เหมือนกันให้พิจารณา วันหนึ่งก็ก็อยู่อารมณ์ก็มีมีเยอะที่เนี้ยอารมณ์อารมณ์ฝ่ายกุศลอารมณ์ฝ่ายอกุศลอารมณ์ฝ่ายอกุศล น, นี่ก็เรียกว่ามีอะไรนีวรห้นี่ฝ่ายกุศลทั้งหมดนีวรห้ามีอะไรบ้างที่เราเจอทุกวันความงุดหัดความหงุหดหงิดอัดขัดเครืองความง่วงเหงาเฮานอนความขี้เกียจความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยนี่เป็นอารมณ์ฝ่ายอกุศลใช่ไหม นี่ก็มีอยู่เราประสบอยู่นะตัวไหนมันมาแรงกว่าหาตัวเนี่ยความขี้เกียจความหงหุดหงิดออัดขัดเคืองความหัวเหงาห้องนอนเลื่อนลอยฟุ้งซ่านลังเลสงสัยที่ห้าตัวเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งนี่เขาเรียกว่าทั้งทั้งห้าตัวนี้เขาเรียกลูกน้องของมารมันจะส่งมาทีละตัวก่อนส่งมาค้อประตูว่านเราก่อนว่าใครกำลังนั่งเพงเพลินพิงเกีออ้เนี่ยมันมาค้อละ ถ้าไม่มีการไหวตัวก็มันก็เอาตัวนั้นมาล็อกคอเรางับงับไปเลยมันจะส่งตัวขี้เกียจมาก่อนเพราะนั่งพิงเครืองยมันเฟินใช่ไหมมันเฟินมันก็ส่งตัวขี้เกียจมาล็อกคอเราก่อนพอเพินแล้วไม่ยอมแก้อีกเดี๋ยวก็ง่วงบับไปแล้วคอหักคอเอียงไปนี่มันก็ส่งมาทีละตัวละตัวแต่เราไม่รู้เท่าทันของเราเพราะสติของเรายัางไม่แหลมคงพอนี่เขาเรียกาอารมณ์ฝ่ายอากุศลมีมีวันห้า นี่บางครั้งอารมณ์ฝ่ายกุศลเข้าบ้างนะอารมณ์ฝ่ายกุศลเข้าก็ทําให้เราได้รู้พิจารณาเห็นอันนั้นอันนี้เช่นว่าโพชฌงค์เจ็อริมกักมีองค์8ปนี่ฝ่ายกุศลเนะราพิจารณาถึงการเกิดของรูป <c oughs> การเกิดของนามเป็นอย่างไรนะการเกิดของขันห้าเป็นอย่างไรนี่เป็นฝ่ายกุศลเพราะฉะในส่วนที่เป็นธรรมานุปัสนาหรือส่วนอารมณ์เนี่ยมีเยอะมากนะมีถึง 37ประการนะเรียกว่าโพธิปัจเจธรรมคนไหนบรรลุถึงห้องที่สี่นี่หมายความบรรลุธรรมว่างั้นเถอะมันมีสีห้องสติสีห้องห้องที่หนึ่งเรียกว่ากายานุปัสสนาห้องที่สองเรียกว่าเวทนานุปัสสนาห้องที่สเรียกว่าจิตตานุปัสสนาห้องที่สีเรียกว่าธรรมานุปัสสนาเพราะฉะนั้นในชีวิตจังหวะถ้าเราพิจารณาอยู่ในสีห้องนีก่ก็จบจบหลักสูตรนะ เขาจมหลักสูตรนี่เขาเรียกว่าทุกเหมันหมดเพราะฉะนั้นหลักสูตรในพุทธศาสนามีแค่อสองหลักหลักเสขะกับหลักอาเสขานะหลักเส ข, เขาหมายความกําลังเรียนรู้กําลังปฏิบัติยังไม่จบเรียกว่าอยู่ในมรรคหลักเสขาตั้งแต่นับตั้งแต่บุรุษชนธรรมดาจนไปถึงพระอนาคามียังอยู่ในหลักของเสขะุคนยังไม่จบการศึกษา ต่เมะ่อไรพิจารณาสติทั้งสี่ห้องนี้จบครบทวนแล้วจิตของเราหลุดจากการปรุงแต่งแล้วก็ถือว่าจบการศึกษาเรียกว่าอาศัยคาจบมนาจบหมดคือไม่ทุกข์อีกต่อไปก็มีพระอรหันต์ได้พระพุทธเจ้าประเภทเดียวที่เป็นอาศขยาบุคคลในเเรื่องนี้เป็นเรื่องชีวิตนะมันไม่ใช่เรื่องที่นอกเหนือจากชีวิตนะแต่ทําไมเราเห็นเป็นเรื่องมันยุ่งยากลําบากก็เพราะว่าเราเคยตกไปสู่ที่ าตามอารมณ์มานานพอมาฝืนอารมณ์ให้มันมาศึกษาเรื่องของจริงหน่อยมันรู้สึกมันมันไม่สนุกอะ่ะนะเพราะฉะนั้นเราจึงตกเป็นทาสของความทุกข์เพราะอารมณ์ณวันนี้เรามาเพื่อที่จะศึกษาเพื่อจะทวนอารมณ์เรียกทวนกระแสทวนกระแสของอารมณ์คือไม่ไม่ไปตามมันเหมือนก่อนนะังนั้นเองถือว่าโชคดีนะ ใครใครจะเรียนจบทั้งสี่ห้องภายในเจ็วันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมละเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดละแต่ไม่รู้ว่าทั้งชีวิตนี่จะจบรึเปล่านะสี่ห้องตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกซ้ําชั้นแล้วซ้ำชั้นอีกนะแต่นักเรียนเก่งหน่อยอาจจะซ้ำชั้นไม่บ่อยนะาํชั้นไม่บ่อยห้องที่หนึ่งปหนึ่งเนี่ยมาที่นี่ปหนึ่งขอให้จบนะอเรื่องกายานุปัสสนาเนี่ย ถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วเนี่ยชีวิตของเรามันจะไม่ร้อนไม่เร่าชีวิตของเรามันจะเบาสบายแล้วชีวิตของเรามันจะโปร่งแล้วอยู่ไหนก็มีความสุขกินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขอ่าแล้วก็ไปไหนก็มีความสุขจะเจ็บก็เป็นสุขแม้แต่จะตายก็ยังมีความสุขแต่ถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันวิตกกังวลไปหมดนะ จะอยู่จะกินจะหลับจะนอนจะไปจะมาจะเจ็บจะป่วยจะไข้จะตายวิตกกังวลเป็นทุกข์ไปหมดยุ่งยากไปหมดเพราะเรายังไม่รู้จักชีวิตนะเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราให้มาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังขึ้นแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เป็นส่วนประกอบมันเราก็อย่าเพิ่งไปสนใจมากนะักมาสนใจในส่วนนี้ก่อนเหมือนกันนักเรียนเข้าปหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เขาสนใจมากที่สุดคืออะไร Uh, เขียนอักษรให้ได้กไก่ที่หอนเขียนอยู่นั่นแหละร้อยตัวพันตัวเขียนอยู่นั้นแหละเพื่อจะเป็นกอไก่ที่งามได้ใช่ไหมสมัยนี้เขาก็ยิ่งง่ายเขาทําเป็นไฮไลท์ไว้ด้วยเขียนตามเส้นใช่ไหมก็ง่ายขึ้นนี่หลวงพ่อให้ไฮไลท์ไว้แล้วพวกเราก็เรียนเอาง่ายๆเขียนตามพนั้นเองแต่เขียนเยอะๆหน่อยนนี้คือการเขียนเขียนร้อยครั้งพันครั้งเราเขียนลงไปจนมันชำนาญอันนี้เขียนแต่ตัวมันเฉยๆนะยังไม่ได้ประกอบนะ เขียนแต่กไก่เฉยๆไม่ได้จะเขียนคอไก่ให้เป็นคําว่ากบอย่างเงี้ยมันก็มันไม่ใช่เขียนต่อคอไก่ตัวเดียวแล้วแต่เนอเขียนตัวต่อไปอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเรียนในสิ่งที่เป็นรูปและเรียนด้วยสัญญาอาจจะใช้เวลาไม่นานเขียนกไก่เขียนไม่นานมันก็จําละแต่ว่าจะเขียนความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยให้ลงอยู่ในกายในใจจริงๆเนี่ยโหต้องเขียนเป็น ร้อยครั 100, ้งพันหุ่นหมื่นครั้งแสนหนมันถึงจะจำทำแล้วทำอีกให้กำหนดได้บ้างว่าเมาื่อวานในนั่งสร้างจังหวะตั้งแต่เช้าจุดเย็นเนี่ยได้กี่ครั้งมันจำไม่ได้แร้วเ <c oughs> ออถ้าคนไหนนับได้ก็น่าว่าสติดีมากนั่นแหละะแต่ก็ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องให้นับให้รู้สึกว่าแต่ว่ามันได้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเลยซึมซับเข้าไปในกายบ้างไหมเริ่มเริ่มแทรกซึมเข้าไปในกายบ้างไหมความรู้สึกตัวเนี่ยเริ่มลึกได้ไหม ตแต่ตื่นนอนมาเนี่ยตอนเช้านี้ก่อนที่จะตื่นนนอนในท่าไหนเนี่ยลึกได้ไหมทีเ <c oughs> นี่เนี่ยบทเรียนแรกนะ <c oughs> ไม่ใช่เป็นของเรื่อง ส, สนุกหรือเป็นไม่ใชอของไม่ใช่เรื่องเล่นนะจริงจริงนะลึกได้ไหมว่าตอนตอ น, ตอนกลางคืนนี่ฝันกี่ครั้งฝันเรื่องอะไรบ้างไ <c oughs> ม่ได้ฝันเลยฝันเยอะแยะเลยจําไม่ได้ <c oughs> ฝันเยอะแต่จําไม่ได้ <c oughs> ตื่นขึ้นมานอนในท่าไหนตะแคงหรือหงายหรือคว่ำหรือพลิกหรือ ข่อยหน้าคอยหลังอย่างไรเลยลึกได้ไหมเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มตั้งแต่นู่นเลยนะสะติอะลึกๆพอลุกขึ้นมาเนี่ยเอาขาไหนยกขึ้นก่อนยันตัวขึ้นข้างไหนก่อนก้าวขาออกจากที่นอนครั้งแรกในก้าวขาไหนก่อนแล้วจิตไปอยู่ที่ไหนลึกๆอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจในรายละเอียดเราถึงจะศึกษาชีวิตนี้ได้ แต่ถ้าเราไม่ใส่ใจในรายละเอียดเรียกว่าเรามีสติในระดับสัญชตาตญาณรู้ว่าลุกไปแล้วจะต้องไปล้างหน้าเข้าห้องน้ําล้วคืจะต้องรีบมาศาลาเนี่ยอันนี้มันลวกๆมากเลยมันมันมันห่างมากอะ่ะมันจะเป็นสติวิปสนาไม่ได้แต่สติวิปสนาเนี่อยู่ที่ว่าใครเละลึกได้มากกว่าได้รายละเอียดกว่าคนนั้นก็จะมียานปัญญาสูงกว่าเพื่อนแต่ใครเละลึกต่ํากว่าห่างยานปัญญาก็จะอ่อน อยู่ขึ้นว่าการระลึกของเราถี่แค่ไหนถ้าการระลึกได้ถีมากยานปัญญาก็สูงมากถ้าระลึกได้ห่างมากยากมากยานปัญญาก็อ่อนนะบางคนที่ปฏิบัติได้ดีๆพออะไรมากระทบจิตปั๊บรู้ทันทีแต่บางคนคิดไปตั้งนานแล้วพึ่งรู้แต่บางคนคิดไปตั้งหลายเรื่องพึ่งรู้ว่าคิดเนี่ยเห็นไหมไอความห่างของสติมันต่างกันแต่บางคนพอพอเรื่องมากระทบจิตปั๊บรู้เลยว่าอ๋อคิดแล้วนะแล้วก็ตาม บทตามบี้ตามขายี้ตามไล่กันเลยนะแต่ถ้าหากว่าเป็นนักปฏิบัติที่มีความชํานาญขึ้นมาบ้างแล้วเนี่ยเรายังไม่ต้องจัดการความคิดเกิดขึ้นมาต้องต้องศึกษามันก่อนในที่หลวงพ่อเทียนว่ายิ่งคิดยิ่ ง, งรู้นั่นหมายความว่าไปอีกระดับหนึ่งนะระดับที่มีสติเข้มแข็งแล้วเนี่ยคิดปล่อยให้มันคิดแต่ใ น, นเมื่อสติแล้วยังไม่เข้มแข็งนี่อย่าเพิ่งปล่อยให้มันคิดไล่มันออกไปก่อน เอาความรู้สึกตัวมาแทนก่อนเพื่อใหอ้สติของเรามีโอกาสตั้งตัวมีโอกาสเติบโตเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ใหม่ๆเราจะต้องเอาอะไรเอาไมาห้หลักไปมัดดาวไว้ก่อนใช่ไหมเพื่อไม่ให้แดดให้ลงมาเขยา่าให้มันโยกแต่พอมันตั้งตัวได้แล้วเนี่ยไม่มีไม้ดามันก็เจริญเติบโตเองได้แล้วเพราะนั้นตอนแรกที่สุดเราต้อ ง, ต, องต้องดามสติไว้ก่อนหมายความว่าต้องให้กายเนี่ย เอาความรู้สึกทางกายนี่มาดามไว้ม่ให้มันจิตมันไปไปไกลเกินไปนะนะเราจะเห็นว่าการฝึกฝนสติในชีวิตประจวันเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากแล้วก็มีข้อมูลเยอะนะในสมัยครั้งพุทธกาลนี่แม้แต่เด็กอายุ1 0 1เขวบนี่ก็บรรลุธรรมแล้วนะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันละ <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าเวลาปู่ย่าตายายไปวัดเนี่ยพาลูกพาหลานไปด้วย เมื่อพาลูกพาหลานไปก็ได้ยินแต่พระพุทธ่เจ้าและพระหันทั้งหลายพูดแต่เรื่องเดียวกันอย่ามีสตินะรู้สึกตัวนะอย่าประมาทนะลูกนั่งย่างเดินให้รู้สึกตัวนะจะกินจะหยัดจะจับจะฉวยนี่ให้รู้สึกตัวนะได้ยินแต่เรื่องอย่างเงี้ยทีนี้เด็กเขาจิตบริสุทธิ์จิตสะอาดใช่ไหมรับเรื่องใดเข้าไปเขาก็ซึมซับเอาเรื่องนั้นได้ทันทีก็ปรากฏ ว, ว่าสมัยครั้งพุทธการคนหนุ่มคนสาวพวกเด็กเนี่ยบรรลุธรรมไวกว่าคนแก่ เพราะอะเพราะจิตบริสุทธิ์และรับสิ่งดีๆเข้าไปจากผู้รู้จากผู้บริสุทธิ์อย่างพระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายก็รับได้ไวอย่างนางวิสาขาเนี่ยเป็นพระโสดาบันที่อายุเจ็ดขวบมั้งนะที่กลายมาเป็นอุบาสิกามาบำบุงพระพุทธศาสนาได้อย่างเจริญรุ่งเรืองอย่างมหาศาลเนี่ยนะอย่างวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นอุบาสิกาคนแรกในผู้ศาสนาที่ช่วยชนะถลมรักษาพุทธศาสนามาให้เราได้เนี่ย ดังนั้นเองการเจริญสตินี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแต่อยู่ที่ว่าเราเห็นความสําคัญถ้าเราเห็นความสําคัญมากก็เป็นเรื่องสําคัญถ้าเราไม่เห็นความสําคัญมันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระได้ซ้าไปนะแต่ถ้าเราเห็นความสําคัญนีเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากอาจจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินชีวิตของเรามีความหมายมากา จ, จะหายใจยึดซ้ายไหลขวาการเจ็บการปวดในร่างกายเป็นยังไงเอาใจใส่ดูแล พราะร่างกายของเราเนี่ยเป็นเหมือนมีแผลอยู่ประจําที่เราจะต้องเยียวยารักษาตลอดแผลนี่มันก็ปวดตลอดนั่งนานก็เป็นแผลเดินนานก็เป็นแผลนอนนานก็เป็นแผลยืนนานก็เป็นแผลเราจะต้องขยับเยืนเคลื่อนไหวรักษาเยีวยาแผลนี้ตลอดนี้ถ้าหากว่าเราไม่เอาใจใส่แผลนี่มันขยายกว้างไปเรื่อยๆนะก็ทําให้เรามีความทุกข์มีความไม่สบายเป็นเจ้าเรือน เพราะฉะนั้นคนเราก็มีความทุกข์มากปัจจุบันนี่เพราะว่าไม่เอาใจใส่ต่อชีวิตไม่ไม่ดูแลเอาใจใส่รักษาแผลของอิเดียบทอียบ ท, ที่เราไม่ได้เปลี่ยนมันก็เปิดแผลลึกไปเรื่อยๆ เ, เราก็หนีหนีแผลนี้อยู่ตรงนี้ไม่สบายเอาไปตรงนูน้นอยู่ตรงนี้ไม่สนุกไปตรงนั้นหนีมันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามาเจเริญสติเราจะไม่หนีแผลเกิดตรงไหนยอยาตรงนั้นแผลเกิดตรงไหนรักษาตรงนั้นจนกระทั่งว่า แผลนั้นมันระบาดไม่ได้นะไม่มีเชื้อติดลงไปนะรักษาแผลกายแผลใจด้วยด้วยยาพุทธโอสฐธรรมโอสถสังฆโอสถเพราะนั้นแผลแห่งอิเดียบทแผลแห่งวัตะสงสารนี่มันเป็นแผลที่หมออยู่ยารักษาไม่ได้นอกจากยาของพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเห็นความสำคัญแล้วก็ใส่ใจเป็นพิเศษ ถ้าเวลาทำไปแล้วมันเกิดขัดข้องสงสัยตรงไหนก็ให้ถามนะให้ถามแล้วก็เวลาเราเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆเนี่ยให้เอาใจใส่ไม่ใช่ว่าเรารู้สึกระมัดระวังตอนที่เราปฏิบัติหรือตอนที่เราฟังแต่พอออกไปจากนี้ไปกินข้าวเข้าห้องน้งําไปอะไรเราปล่อยอีกนี่เรียกว่าเราการปฏิบัติของเราไม่ต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นพอเราขยับเขยื้อน เคลื่อนไหวไปสู่ในอดีบทต่อไปปั๊บเนี่ยต้องสนใจว่ายกอย่างไรลุกอย่างไรขยับอย่างไรแยกอย่างไรก้าวอย่างไรสนใจมันไปเรื่อยๆเอาใจเข้าไปสนเาว่าสนใจเอาไปสนตรงไหนสนตรงที่มันกำลังขยับเข ย, ยันเคลื่อนไหวเรียกว่าสนใจดังนั้นคำว่าสติหรือ mindfulness เนี่ยฝรังร่งภาษาฝรั่งเขาใช้ดีเขาจะ mindfulness mindfulness แว่าใจ f u l แปลว่าเต็มหรือ mindfulness มีความเต็มใจ ใจความเต็มใจในการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเรียก mindfulness แต่ฝรั่งบางคนก็ไม่รู้ศัพท์นี้นะถามว่า mindfulness รู้จักไหมบอกไม่รู้จักแต่บอกว่า aware n e s s รู้จักพราะเราเกิดมาก็ a w a r แล้วใช่ไหมเกิดมาครั้งแรกก็ a w a r แล้วฝรัง่งเขาเรียกว่า aware ให้รู้สึกตัวรู้สึกว่าเกิดแล้วนะแต่ a w a r ของเรามันอ w a r เพื่อที่จะทุกใช่ไหมไม่ใช่ a w a r เพื่อที่จะรู้แต่ผู้มาปฏิบัติทำเนา เอาแหวนตอนนั้นมากลายเป็นเอาเวกเอาเวกแปลว่าอะไรแปลว่าตื่นนะเราจึงเรียกผู้ที่รู้ตื่นเบิกบานว่าเอาเวกเกินวันหรือเอาเวกเกินวันใช่ไหมก็มาจากคําว่าเอาแหวแล้วมาจากคําว่าอุแหวของเรานั่นเองเกิดขึ้นมาคืออุ้แหว่อุแหวอุแหวแล้วก็คือเอาแหว่เอาแหว่นแหละฉันตื่นแล้วฉันตื่นแล้วตื่นจากไหนตื่นจากหลับหลับในท้องแม่มานานหลายเดือนพอออกจากท้องแม่มาก็อุแหวเลย พุทธิเจ้าก็่นะว่าเป็น a w a r e n e หรือเป็น a w a r e นะเห็นไหมมันมาจากรากรู้เดียวกันนั่นแหละพ่อสาแต่ว่าเราจะเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงด้านนั่นแหละดังนั้นการเจริญสติแบบนี้มันตั้งแต่ทํามารู้สึกว่ามันไม่มีทุกข์นะและขณะเดียวกันเราก็ไม่มีสุขหรอกเพราะเราจะต้องบําบัดยิวยาร่างกายส่วนที่เหลือนี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็เมื่อยเดี๋ยวมันก็อย่างนั้นอย่างนี้ให้เราเห็นเรื่อย โดยเฉพาะเราอยู่ในป่าเนี่ยเรายิ่งมีสิ่งเบียดเบียนสิ่งรบกวนเราเยอะเดี๋ยวยุงเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวงูเดี๋ยวตะขาบเดี๋ยวหนูเดี๋ยวอะไรต่างมาอยู่เรื่อยเราก็คอยบำบัดรักษาเยียวยาไปเรื่อยนี่แต่ว่าใจเราไม่เป็นไรใจเรายังใสใจเรืองสะอาดใจเรื่องสงบาะในส่วนนี้เราพออยู่ได้คือใจของเราไม่มีอะไรรบกวนแต่ร่างกายแม้จะมีอะไรรบกวนมากมายเราก็คอยบำบัดเยียวยารักษาไปเรื่อยๆ ไม่ให้มันสั่งสมความเจ็บป่วยไม่สบายดังนั้นวันนี้บทเรียนของเราวันนี้ได้แก่อะไรบทเรียนเมื่อวานนั้นเรารู้ศึกษาวิธีการรักษาชีวิตใช่ไหมวันนี้บทเรียนของเราคือฝึกสติในสี่ห้องใครจะเอาห้องไหนก็เลือกเอาจะเอาห้องกายหรือห้องเวทนาหรือห้องจิตหรือห้องอารมณ์ คนบางคนเก่งก็อาจจะพาดชั้นไปเอาห้องสองห้องสามห้องสี่เลยก็ได้นะแต่คนไม่เก่งก็เฉพาะห้องหนึ่งก็ยังท่วมเทียมท่วมเทีย ม, ม, ม, มอยู่ตรงนั้นฮนะอ่าก็พยายามหน่อยก็แล้วกันใครที่อยู่ห้องหนึ่งก็มาดูกายดูลมหายใจดูอิริยาบทดูการเคลื่อนไหวดูทาตสีดูอาการสามสี่สองดูโครงสร้างของร่างกายเป็นของเน่าของเสียร่างกายของเราเป็นที่ออกของเน่าของเสียตลอดเวลาใช่ไหมถ้าออกทางหัวเขาเรียกอะไร ขี้หัวขี้หลังแขกสาวมัทุกวไัไม่ไมเบื่อไม่นายในสาวผมเนี่ยามาออกทางหูก็เรียกอะไรขี้หูมาออกทางตาก็เรียกขี้ตาอีกอามาออกทางจมูก็เรียกขี้หูกมาออกทางฟันเรียกว่าขี้ฟันอา่ามาออกทางเนื้อทางตัวเรียกว่าขี้ใครเอาทวันหนักว่านเราเป็นขี้หมดนะเห็นไหมตัวของเรามันเต็มไปด้วยขี้แต่เราก็ไปหลงวัน แต้มม like so no like yes. ันตลอดเวลานะฮะอะไรมาโขมาเกิดมันแต่เราก็ช้าล้างมันทุกวันแต่มันก็ไม่เคยเบื่อแต่เราก็ไม่เคยสลดสังเวชเราก็ไม่เคยเบื่อหน่ายเพราะเรายังไม่เกิดวิปัสนาญาเนี่ยเราก็ไปหลงรักหลงกอดหลงเล่นหลงลูบหลงคําหลงบําบุงบาเลอมาอยู่อย่างนั้นแหละทั้งๆที่มันเป็นขี้เราเห็นแต่ลดเวลาแต่เราก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้จะหนักรู้เท่าไหร่เราต้องช้าต้องล้างต้องอาบต้องสงต้องขัดต้องเราต้องเราต้องแต่งต้องลูบต้องไล่ มันตลอดอน้าหอมบ้างแป้งบ้างเครื่องขัดดีซีผิวอะไรต่างๆนะเราก็ไม่เคยสำรจสังเวชนะเพราะอะไรเพราะว่าเราถูกฉาบไล้ฉาบทาด้วยความรู้สึกลักความรู้สึกชังมาตลอดกับตลอดกันแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยมันก็ย่างกลายเป็นอนิสัยเป็นกิเลสครอบงําเรามาตลอดแต่ณวันนี้เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วณนะวันนี้เราจะต้องมาดูแลชีวิตในแง่ของการ รักษาเยียวยาผู้ป่วยชีวิตของเราเหมือนคนป่วยที่ต้องรักษาเยียวยาตลอดมันเป็นโรคตลอดตื่นเช้าขึ้นมาโรคอะไรแรกที่สุดมาเยือนเราโรคหิวเข้าครัวเ <laughs> ออขนควายว่านี้มีอะไรคินบ้างไม้มที่จะต้องไปปรุงมาบาบัดโรคหิวนะ อ, อ้าวพอกินแล้วโรคใหม่เกิดขึ้นแล้วโรคอะไรอ่ ไม่ใช่โรคหิวแล้วทีนี่เอาออกวิ่งเข้าห้องน้ำอีกนะหนักเบาเอานั่งนานก็เป็นโรคอีกปวดแข่งปวดขาเป็นโรคตลอดแต่เราไม่เคยดูมันเลยอ่ะนะใช่หมเรามันมันเป็นความเคยชินที่ชีวิตมันหมุนไปเรียกว่าสัญชาตญาณ น, นะแล้วก็วิ่งว่อนอยู่เนี้ยเพื่อบำบัดโรคเพื่อรักษาโรคแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นโรคเราก็เรกว่าร่างกายที่น่ารักหน่าใค่ายน่าเสน่หาต้องรูปต้องลาต้องแต่งต้องอะไรมนุ่เยอะแยะไปหมด เราก็ไปทุกข์เพราะในส่วนนั้นทุกข์ในส่วนที่เป็นบำรุงบำรเลอไม่ได้ทุกข์ในส่วนที่เป็นบำบัดไม่ได้ทุกข์ในส่วนที่เป็นรักษาเรากินอาหารก็เพื่อบำรุงบำรเรอไม่ได้กินอาหารเพื่อบำบัดมันก็เลยทําให้เราทุกข์กับเรื่องที่ที่เป็นความอยากแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทุกข์อีกเรื่องหนึ่งทุกข์เพื่อการบำบัดทุกข์แล้วเพื่อให้ทุกข์มันหายไปแต่ว่าเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเราทุกข์เพื่อบำเลอทุกข์เพื่อให้ทุกข์มันเพิ่มขึ้น มันก็เลยไม่มีที่สิ้นจบดไงดังนั้นการมาเจริญสติในน้อยตัวนี้มันจะทำให้เราเกิดธรรมะจกักษุเกิดญาณปัญญาเห็นข้อมูลเหล่านี้เรื่อยๆแล้วเราจะรู้สึกว่าแผลต่างๆเราหายขึ้นเราจะหิวเราน้อยลงการเจ็บปวดเราก็จะทนได้มากขึ้นแล้วก็การเคลื่อนไหวเราก็จะไม่รุนแรงหรือว่าหลงลืมเหมือนเมื่อก่อน การเคลื่อนไหวก็เต็มไปด้วยการบำบัดเยียวยาและชีวิตนี้ก็มันก็มีสิ่งที่น่ารื่นรมด้วยธรรมอยู่บ้างเขาเรียกเป็นธรรมิติเกิดขึ้นแล้วทาให้เรามีความสุขความสงบอยู่บ้างด้วยธรรมนะไม่ใช่สุขสงบด้วยกิเลสนะฉะนั้นณวันนี้ขอให้มีความระวังสัมรวมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจากจากเมื่อวานการเคลื่อนไหวช้าลง การจะหยิบหยับจับเวยอะไรนั้นช้าลงเนิบหนาบลงกําหนดรู้แต่ไม่ใช่เป็นการเพ่งการจ้องการบังคับตัวเองนะแต่ให้ระลึกรู้ว่าเรากําลังทําอะไรแต่ถ้าเป็นการบังคับเพ่งจ้องกดบีบก็จะได้ผลอีกแบบหนึ่งจะทําให้เกิดการเครียดการตึงการมึนการอึดอัดขึ้นมาแทนเป็นทุกข์ใหม่ขึ้นมาอีกถ้าเราไปทําด้วยอุปทานนะแต่ทําด้วยความเข้าใจก็จะทําด้วยความ คอยลึกๆรู้คอยประครับประคองคอยดูแลอาใจใส่ขึ้ืนไหวส่วนไหนเหมือนกับเรากําลังดูแลอาใจใส่ลูกเล็กๆของเราว่าเขากําลังเรียกร้องอะไรนีร่างกายเนี่ยเหมือนลูกเล็กๆจิตใจเนี่ยมันลูกเล็กๆของเราเขาต้องการอะไรเราจะรู้ภาษาเขาตอนนี้ลูกเขาต้องการกินข้าวตอนนี้ลูกเขาต้องการอุจารปาปิสวะตอนนี้ลูกต้องการนมตอนนี้ลูกต้องการเปลี่ยนผ้าอ้อม ตอนนี้ลูกต้องการอะไรก็ค่อยสังเกตเข้าไปเรื่อยๆสังเกตกายใจของเราเนี่เขาต้องการอะไรแล้วค่อยบำบัดแก้ไขเข้าไปเรื่อยๆถ้าถ้าแม่เผลอแล้วเป็นไงปล่อยลูกไว้ในเบาะในอู่แม่ไปเที่ยวที่อื่นเฉยเลยลูกก็ร้องอยู่อย่างนั้นแหล ะ, อ, ะอันนี้หมายความว่าเราทิ้งกายไว้ตรงนี้แต่ใจเราไปเที่ยวที่ไหนไม่รู้แม่เที่ยวที่ไหนไม่รู้แต่ร่างกายของเราเป็นทุกข์อยู่นี่ก็ดิ้นร้าวเราเรา้เร า, ราตรงนี้เราไม่ไม่ยอม บำบัดแก้ไขลูกก็ขี้เยี่ยวลาดใส่ผ้าหมดแล้วนะเราก็เหมือนกันปล่อยร่างกายจิตใจเผลอเลย อ, อยู่ตรงนี้แล้ ว, ว่าใจของเราไปเที่ยวที่อื่นก็เรียกว่าเผลอละเพราะนั้นในช่วงเช้าในช่วงเช้า ว, วันนี้ก็เช่นกันว่าเราจะได้บำบัดทุกขเวทนาต่างๆนะแล้วก็มีความระมัดระวังมากขึ้น ด้ใ น, นสิ่งที่เราเรียนมาตอนเช้านี่ก็เรื่องของห้องสติทั้งสี่ห้องให้เอาไประลึกรู้ไปบําบัดแก้ไขให้ร่างกายอันแสนจะเป็นทุกนี้ท่านใช้คำว่าสังขาราประมาทุกขาสังขารคือร่างกายนี่มันเป็นทุกขอย่างมหันนะการบําบัดแก้ไขเนี่ยทุกตลอดแต่เราไม่รู้ไม่เห็นทุกตัวนี้เราจรึงกายเป็นผู้ทุก ไปตลอดพระเราไม่เห็นทุกเราถูกกลายเป็นผู้ทุกตลอดณนะวันนี้เรามาศึกษาเพื่อจะได้เห็นทุกเพื่อทุกจะได้ไม่ทับถมเราต่อไปนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราทั้งหลายจะได้นําไปฝึกฝนไปปฏิบัติให้เกิดความเห็นแจ้งรู้จริงที่จะนําชีวิตอันแสนวิเศษศักดิ์สิทธิ์มหัจจันท์นี้ให้ปกติอยู่รอดปลอดภัยจากทุก ้วยกันทุกคนทุกท่านเชิญนะกับพระพ